ชีวิตเราก็มีอะไรเนาะก็ที่เห็นกินน้าป่าน่าอยู่แล้วเห็นพากันแห่ไปเยี่ยวแล้วลว่าที่เห็นมีความสุขกับการกินนะแต่มาก็ทุกกับการไปเยี่ยวนลก็เห็นต่างคนก็พยายามผ้าเน่าอย่างโน้นอย่างนี้แล้วอะไรอ่ะตัวตนอะไรที่ว่ากูคือกูคืออะไรนึกคิดอยู่ต่างคนก็ต่างจะเอาตัวไม่รอดอยู่ ก็คเป็นทุกข์อยู่หนทุกข์ขังอริยบททั้งหลายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เพราะความทุกข์นั่นแหละทุกข์จึงต้องขยับทุกข์จึงต้องผอมผ้าทุกข์จึงต้องไปเยี่ยวทุกข์จึงต้องกินต้องอะไรอย่างีมิแต่ทุกข์กับทุกข์นะแต่ทําไมเราไปแย่งเอาอะไรจากสังคมเอาจากคนเอาจากโลก ถ้าไปยื้อแย่งเอาอะไรแล้วเอามาอะไรเอามากินหรือเอามากินลแล้วก็ทุกข์ก็ห่อไปเยี่ยวอีกหละห่อไปขี้อีกเอามาห่มเหรอนี่หน่อยก็ร้อนนะนี่ลงไทยยังไม่อาบน้ําเลยเนีย่ว่าจะอาบน้ําตอนสีทุ่มเย่ะเยอยมปนความหนาวพิจารณาอยู่กูจะอาบได้หรือเปล่าน้ออากาศมันกี่องศาเนะี่ยสักสิบห้าได้ไหมไม่ต่ากว่าต่ากว่านะ มสมมุติต่ำเลยสูงนกุจะอาบเสอย่างนึใครจำไหมอย่างว่ากูก็ชักนั่นแหละคิดแต่ตายแล้วก็จบไปไม่มีอะไรไอ้ที่ไม่อาบนี่มันไม่ใช่อะไรแล้วก็ ค, คือคือยังไม่อยากอาบ <c oughs> อาบตึก <c oughs> ๆ, ๆมันนึกถึงสมัยเคยอยู่ตามป่าตามเขานี่ฤดูกรมฤดูหนาวแบบนี้เดี๋วไม่จะไปอาบน้ําตกตอนสี่ทุ่ม อยาให้รู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงอาบแล้วกูจะทุกข์ไหมนะอาบแก็ทุกข์ทุกข์เพราะหนาวเฉยๆนะแต่ใจก็เฉธรรมดาความทุกข์กายเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขใจเขาเรียกว่าทุกขในอริยสัจหรือโทมมณัตทุกขโทมมณัตทุกขทุกคือทุกขกายโทมมัตคือทุกขใจแต่เขาเรียกรวมๆทูกกายทุกขใจ มันมีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับชีวิตนี้เราอย่าไปทุกข์มันกับร่างกายจิตใจจะเห็นว่าเป็นเพียงแต่ว่าสังเกตว่าเป็นอาการเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดามันก็ไม่ได้คิดอะไรไมีแต่นั่งดูเฝ้าดูคนแต่และคนก็เหมือนก้อนทุกขกอนน่งไม่ใช่เหมือนแหละมันเป็นเลยแลี่เป็นก้อนทุกข์ทางคนต่างแก้ทุกคนตัวตัวเองทุกทางกายก็แก้กันยกใหญ่ เสือเส้อผ้าเครื่องนุ่งห่มการกินไถ่ยมวันทีมันก็ทุกเพราะเพราะเราแก้แค่ไม่ทุกที่ยิงแก้ตามความเปจริงมันไม่ยากแต่แก้แล้วเราไปติดในเวทนารูปรสกลิ่นเสียงก็มาอุปทานมันเยอะเราแวสวสงหามากเกินความจําเป็นของชีวิตนี้มันก็เลยเป็นทุกคิดจริงๆก็คิดเนื้อยแตมความจําเป็นจบไปก็มไม่เป็นทุก มันจำที่ต้องเป็นเป็นเพราะมันจำใจจำต้องคิดแต่นี้มันมันคิดเพราะอะไรเพราะว่ามันตันหาเพราะความอยากมันคะแนนจบแต่เราก็ยึดมั่นถือมันนนะเป็นอัตตาอัตตาคือมันมันอัดอัดดวงตาปิดดวงตาเห็นปัญญาไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงว่าความจริงมันอะไรอะเราก็เลยหลงตัว หลงตัวตัวสติตัวปัญญาตัวจิตตัวใจเดิมเดิมแท้ๆของเราเป็นอย่างไรตัวตน เ, เราก็เลยใหญ่สูงก็ แ, ะะแก่ลำบากบางคนก็ไปติดในบุญติดบุญยึดมั่นถือมั่นในบุญในบาศัดไม่หลุดออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมันก็ช่วยพัฒนาจิตใจระดับนึง คือหมายว่าใจมันก็ไปติดอยู่กับบุญเขาเรียกว่าปัญญาพิสังขารมันเป็นสังขารแบบหนึ่งนะบุญเนี่ยแต่มันก็แติดับเป็นนิจังแต่คนก็ไปยึด บ, บุญอ๋อเป็นนีเพิ่บุญที่แท้ก็คือบุญที่แท้ทานพุทธทานสคือการไม่เห็นแก่ตัวบุญที่แท้ก็คือการการเห็นตัวแก่นะั่นแหละตัวกูแก่นะกูเจ็บกูตายนะ คือการเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงถอนมีปัญญาถอนจิตตัวเองหรือถอนกิเลสออกจากจิตมันก็ไม่ได้ไปถอนอะไรนะเพียงแต่ว่าเรารู้ตามความเป็นจริงมันก็สลายหายไปเฉยๆมันก็มาปกติจิตเนี่ยธรรมดา อ, านอันธรรมะจึงเป็นธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่า อที่มันไม่ธรรมดาเพราะมันหลงมานานหลงติดตรงนั้นตอนนี้แล้วมันมาคลุมจิตเราพอคลุมจิตเราอยากให้มันเป็นธรรมดามันไม่เป็นธรรมดาไม่รู้ธรรมดาเดิมๆกูอยู่ตรงไหนนั้นเนี่ยนนั้บางแห่งบาที่เขาอปฏิบัติทำเพื่อกลับคืนไปสู่สภาพธรรมาชาติเดิมแท้ของจิตตัวเองจิตที่ไม่ปรุงไม่แต่งแหละอยู่ตรงไหนเราก็กลับคืนไปหา้งจุดนั้นให้เห็นให้เจอซึ่งมันก็มันมาไกลอ่ะ ใจจนกรทั่งว่าสมมุติว่ากูเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเดี๋ยวนี้พอ<ม>กลับไปไปทางไหนดีวะเห็นไหมเรามายกมือสั่งอยู่ว่ากลับไปหลงทางหลงป่าป่ามันรกรกกอริวานารกมาทํานาอันนี้รกมากแต่กลับไปหาภาวะเดิมเดิมเนี่ยรกมากรกด้วยความคิดความปรุงความแต่งหงดุดหงิดอึดอัดขาดเครื่องเปื่อหน่ายขี้เกียจ แต่ว่าพอมองไปทางป่าสมมุติทั้ไหลาทั้งปวงที่เราเราหลงว่าเรามาเป็นอันนี้นี่โอ้โอหหรูจังเนี่ยเขาแต้มสีสันนั่นนี่สมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เนะี่ยคิดออกหมดเลยอ่ะไอ้ น, นี่เฮ้ยยังไงก็รู้สึกหอมหวานชีวิตเนี่ยแต่มองกลับไปหาจุดเดิมแท้ๆของจิตที่มันมันไม่มีอะไรเลยจะกลับคืนไปสู่ภาพว่าเดิมกลับยากลําบากมองไม่เห็นเลย วันหนึ่งในธู่กกิเลสมันคลุมจนมองไม่เห็นหมาไปยังไงแวกไปแต่ละทีก็ไม่ได้มันเป็นม่านบังตาตัณหาบังใจจะกลับไปยังไงนอนไม่ใช่กลับไปเป็นเด็กนะกลับไปสู่ จ, ดจุดืปกติของจิตนะที่มันปกติมันว่างๆเราว่างๆนะเราถึงนอนหลับได้เนี่ยว่างๆนะถึงเรามียึงมีพลังในการทำงาน ว่างๆนะั้นเราจึงมาเริ่มจุดเริ่มต้นของเราได้สมมติเราเราจะทํางานอันนี้เนี่ยเราต้องลืมเรื่องต่างๆให้มันว่างๆล้วมาจุดที่เราจะทํางานอันนี้เขาเรียกว่ามีสมาธินั่นแหละพอทำอันนี้พวกเราจะไปทำอีของเขาชวนไปอย่างเราก็ต้องให้ว่างนะเราจึงไปได้แต่ถ้าเราว่างอยู่ตลอดนันมันยิ่งดีเลยชีวิตเนี่ยแต่ปกติคนมันไม่ว่างปัญหาคือกลับมาจุดเริ่มต้นไม่ได้ตามที่ปรารถนาทุกครั้ง พอไปคิดอะไรไปทําอะไรในจิตมันไปติดอันนั้นแล้วมันออกไม่ได้แล้วเราจึงมาฝึกสติฝึกสติเพื่อควบคุมเรื่ อ, อยๆในน้อยนี่ล้างล้างภาวะเก่ า, กาๆของจิตที่เราเก็บบังหมมที่เราไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจหรือเรากระเสียเก็บสะสมไว้นในใจนี่เอามาฟอร์แมตมันออกดิล้างมันปลื้ จะบรรจุใหม่ได้ยินนะลอนตาได้ินเขาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หนักก็มีโอ้ยลอนตามันไม่ได้หรอกมันหนักข้อมูลมันเยอะโอ้เหมืนหัวคนเลยเนาะต้องทํายังไงหล่ะเขาต้องฟอร์แมตข้อมูลเอ้าเหมือนกับการทํำวิปัสสนาเลยเนาะต้องวิปัสสนาการฟอร์แมตข้อมูลนั่นแหละหลังพลุลกระจิกมันก็โ ล, งลง่งโปร่งมันพร้อมที่จะรับเรื่องใหม่ได้เลยที่นี่ใจมันว่างสบายสบายถ้ามันดับไม่ได้ละ ทำยังไงแต่ไม่ได้เพราะมันยังไม่เจอปุ่มมันเนะ่ยกดปุ่มมันให้มันเป็นถ้ากดปุ่มเป็นมันก็เป็นนะกดปุ่มไม่เป็นก็ไม่ได้นะอืทํายังไงล่ะค่าตัวตายเลยหลับไปเลยทำไปถอดปลัก๊กถอดปลั๊กมันก็ออกไม่ไม่ออกนะครับเอาไปมันจะเสียไเลยําไปเวลยจะปิดเครื่องยังยังเอาไปบีบใส่ตุ่มนั้นบีบใส่ปุ่มนี้อีกอันนั้นอันนี้เราค่อยมาถอดปลั๊กได้เขาว่านะ มันแทไม่เป็นนะคอมพิวเตอร์นี่เกิดมันรุ่นลายครามรุ่นโบราณเปิดคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่เป็นได้แต่เสียบปลั๊ก <c oughs> แต่ได้ยินเขาว่าเวลาไปดูเขาทำนะอ้อกลไกมันเหมือนกันเนาะมันกับสมองคนมันไม่คนตัดทีละเรื่องละเรื่องได้ไหมอ้าวเขาว่าตัดทีละเรื่องก็ได้ทาไงล่ะเขาดีลทเอาุ บ, บททีละเรื่องดับไปทีละเรื่อ ง, งเรื่องจะมากระช้าทีละตัวทีละตัว บางคนกดปุ่มดีลิทนี่โดดไปทางโน้นโดดไปทางนี่นะฉะนั้นกันเนะ่เรามาลบความคิดแ้วก็ลบทีลนะน้อยทีละน้อยอีกวันทีบางทีก็ลบไม่ได้เราบอกดีลิทไม่รู้เนี่ยเออเลอกขึ้นมาแล้วเดียวไปแล้วติดตรงนั้นตรงนี้ไปไกลเหมือนกันนะ่ชีวิตอันนี้ฉ น, น, นั้นจึงมาหาปุ่มมาเนี่ยปุ่มมันปุ่มมันยกมือสร้างจังหวะนี่คือการบีบเลเนี่ เขาบอกว่าบีประมาณแสนสี่แสนครั้งี่จะเจอปุ่มงมไปงมมาอย่างนี่งมอย่างไรเนะี่ยงมแบบอสงไขอสงไข่คือนับไม่ได้อสังขยะนับไม่ได้งมไปเรื่อยต้องเจอละปุ่มมันสักวันหนึ่งนะจะตั้งใจหน่อยได้ไม่ใช่หลับตา ก, กดปุ่มไปทัว่วเด้ไปถูกปุ่มเออเริ่มขึ้นมาหลายรอบของข้อมูลก็โอ้ยแย่อะไรบางทีด่าเราก็มีนะเขาว่าคอมพิวเตอร์มันด่าเราก็มีนะ ทุ่งาไม่รู้มันด่ายัางไงนะนันก็มางมหาเนี่ยปุ่มแรกเอาเริ่มกดปุ่มตัวนี้ไปใส่ปุ่มนั่นปุ่มนั้นล อ, อะไรล่ะปุ่มสตินะ เ, เขาเรียกว่าอ้าอคุณมากดปุ่มพอดชงดิปุ่มพอดชงพอดชงเจ็ดกดปุ่มตัวนี้แล้วไปใส่ตัวนั้นคือจะเปิดเข้าไปข้อมูลนี่มันมันต้องไปเจอโหมดของ ของอารมณ์กรรมฐานนี้มันถึงจะได้ถ้าไม่เจอในกดมั่วไปทั่วนี่ก็แย่เองแหละสติเลยลึกรู้เอปุ่มเลยลึกรู้กําหนดรู้รู้เร่อยๆขาบอกต้องกดซ้ําเยอะๆนะตัวเลลึกรู้นี่ก็กดซ้ำํำเรื่อยๆบางคนกดครั้งเดียวกดครั้งเดียวก็ติดนะคอมพิวเตอร์เขาดีไปถูกปุ่มธรรมวิจัยอ่ะ มีสติมีสติแล้วก็อย่างอย่างเาปฏิบัติทมเนี่ยเราจะเดินสติเพื่อในเพื่อให้สติมันเยอะๆที่หลวงพ่อเทียนเ่านพูดนะพอได้สติรูลูกน้ำแล้วมาดูความคิดนะเนี่ยนีเห็นไหมการดูความคิดหนึ่งเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมโพธชังกัญญาพวกเธอรู้เรื่องไหมที่สวดไปนะคืออะไร สติสัมปวทังคัจะสติเป็นองค์แห่งการรู้แจ้งคันจะจแปลว่าด้วยหิจัปณนะก็แล่ปัสบาวลีนะแปลว่าด้วยด้วยด้วยกับคาว่าวาอะไรัอัจฉตังวาประหิทธาวาวาวาวาวาเนี่เอาทั้งหมดรวบรวด้วยนะเหมือนเราวาขยนเีย อธิวาคือจะเอาด้วยว่าด้วยเหมือนกันแหละอันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติรรมเจริญสติสัมผัสชังคันจะโพูดชงในองแห่งการรู้แจ้งองค์ชงองค์พรโพูดพูก็มาค่ะโพธินั่นแหละองค์แห่งโพธิองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกรู้สติสัมผัสชง องค์การรู้แจ้งคือความระลึกได้กดถูกไม่ปุ่มระลึกได้นะพอบอกให้โปรดปุ่มระลึกได้ความระลึกรู้ตัวกลับเป็นกลุ่มภาวนาขวาซ้ายขวาซ้ายอันนี้ไม่ใช่การระ ล, ลึกรู้อันนี้เขาเรียกว่าอนุสติอันนี้ไม่ใช่ตัวสติเห็นมันนั้นมันจึงรู้ยากแต่ถามว่าเกิดปีติไม่ก็เกิดปีติแต่ตัวปีตินี่มันไม่ได้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของสติ นั่มันจึงไม่มีพลังในการล้างอารมณ์เพราะปุ่มเทียมบางทีมันไม่ปุ่มแท้นั่นเขาทุกบอกว่าทําไปสักพักหนึ่งเขาให้ปล่อยปล่อยแล้วมาดูขันห้าคําว่ามาดูขันห้ายกขันนั้นเขาพคือมาดูความคิดนั่นเองขันห้าไม่ใช่มาดูร่างกายนะไม่ใช่มาดูร่างกายด่างกายไม่ใช่ขันห้านะคือถ้าดูร่างกายดูขันห้าเมื่อไหร่นั่นแหละจะเป็นวิปัสสนาเขาบอกคือดูจิตเมื่อไหร่ก็จะเป็นวิปัสสนา ดูนามารูปเมื่อไหร่ก็เป็นวิปัสนาเนี่ยอวิชชาปัิยาสังขาราสังขเดียปัจจยานามรูปังนมามรูปปัจจยาสลายเจตระพัทโซภัษสะอารมณ์วิปัสนากรรมฐานนะวิปัสนาภูมิมะคือเป็นเรื่องของจิตใจอันฝึกสติเพื่อดูความคิดดูอารมณ์แต่ถ้าสติยังไม่เข้มแข็งไปดูมันก็ไม่ได้แหละ ไปดูไปก็ติดอารมณ์กลายเป็นความคิดลากไปลากไปกูว่าจะดูความคิดที่ไหนได้ความคิดลากกูไปเหยียบจมทรณีไปเลยทีความคิดมันลากไปลก่กแทนที่จะดูความคิดกลับเป็นคนคิดได้ทั้งหลายเรื่องวันวันหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ยังไม่แม่นยำกับปุ่มแรกนี่นะปุ่มแรกปุ่มสติเราเนี่ย ส, สติสัมปชังโคนี่มันไม่แม่นยำพราะมันไม่แม่นยามันก็ธรรมวิจัยคือการสังเกตดูธรรมารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตเนี่ยมันไม่เข้มแข็งนะตัตานีาไ้ไปจับเมาก็ยังไม่เป็ี่นนะจับมเมาเขาบอกให้บีบทีแรกนึกว่ามันมีแต่ปุ่มตรงกลางที่ไหนได้ไอปุ่มขอบขอบสองอันข้างซ้ายข้างขวาก็บีบได้ด้วยนะเพราะว่านึกว่า ลากไปลากมามีแต่ล้อรถยนต์อันนันนะในผมนะคือมันไม่รู้ น, นั่นเองมันไม่รู้ผมแม้นพระท่านก็จับดูเอารู้สึกไหมกระทืบเท้าดูที่เล้สึกไหมเนี่ยสติปุ่มสติระ ล, ลึกรู้เนี่ยรู้ไหมปุ่มสติถ้าระ ล, ลึกรู้ก็ระ ล, ลึกถูกละเอาได้สตินี่สดงว่าจับเป็นแล้วก็มาธรรมวิเชียรธรรมวิจัยธรรมพียรรยะโพชฌงค์สำโพชฌงค์คือสังเกตอารมณ์ของจิต ธรรมะพิจยาสัมปทังกาชังกัญจะแล้วก็ปิติและสติธรรมวิยะวิริยะเนาะวิริยะวิริยะก็คือปุ่มวิริยะเนี่เป็นปุ่มคันเร่งนะปุ่มอ้นี่ปุ่มปุ่มเกียร์ปฏิบัติทำเจริญสติเนี่ยเราจะขยับไปข้างหน้าได้พอสังเกตปุ๊บรู้สึกว่ามันติดเลยนะตอนเนี้ยนะมันติ ทำมยาวิจัยวิจัยเนี่ยเราสังเกตเห็นแล้วปฏิติยยไปไม่ได้ทําไมเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์เขาเกียร์เปลี่ยนกันเล่งถนนดีๆเนี่ยมาจากบ้านไม่ค่อยคิดอะไรเนยเอยกูก็มาด้วยความเปิดเพลนะ <c oughs> ินนะยังไม่รู้จักทุกสบายเดินที่คนเป็นสนัอ้าทําไมง่วงจังนะทำไมคิดมากทําไมฟุ้งซ่านขยับเกียร์ดิรถเรามารถนี่มันมีกี่เกียร์ สีลเหออ๋อสี่นะเอาสมมุติว่าสีอย่าไปเทียงกันเด้อห้าหกก็ทำสมมุติว่าสี่ไปเอาจริงจังกับโลกมนุษย์สมมุตินี่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละต่อไปจะไม่มีเกียร์เาขาว่าอะไรนะออตโต้ออตโต้นะอย่าปลูกเดียวนะเดี๋ยวมันลดไปเองเข้ามาเองเห็นแต่เกียร์ถอยหลังตัวเอตัวอะไรนะก็ดูตัวดีตัวเองตัวดีก็ไปข้างหน้า ผลลมาสามดิไม่ได้อะมันติดมากวันนี้ง่วงจัดเลยวันนี้ต้มขาหมูนี่ทำยังไงเนาะเอ้าเข้าเกียร์สองลดลงมาอีกดันไปข้างหน้าแล้วสองไม่ได้มันติดลมเกียร์หนึ่งบรรยากาศอย่างนี้ยิ่งมันออกอยากเครื่องมันเย็นถ้าปล่อยเปกุตินี่เสร็จหมดเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยเข้าเกียร์หน่อยดิสนับเกียร์ดึง ถ้าเกียร์ไว้ก็เปิดไฟหน้าไฟไท้ายไฟหัวไฟหางนะให้มันเห็นนะเอาคน น, คนั้นคนนี้หรือบางทีก็เชื่อมต่อแบตเตอรี่จากคนอื่นมองไปเธอดูดิตาแตกเธอไม่มืนดูเลยดูคนข้างๆเ ข, า, ขาเดินจุงกลมดีจังนะ่ะเธอจะมาไห น, นเขาเรียกว่าเชื่อมแบตเตอรี่ต่อให้หน่อยๆเอาเห็นคนนี้เขาตั้งใจไหวอายเขานเนี่ยลุกขึ้นทำความเพียรเลยเนะเชื่อมแบตเตอรี่ให้มาที่นี่ก็ล้งตากะชาร์นะช่วยมือดันกับพระนี่นะ ดันก้นมันไปรถคันนี้มันจะไม่ออกเลยนะบางคันมันเข้าไปในห้องไปเคาะเอาเนีดึงมันออกมามันจะไม่เคลื่อนที่อยู่เหรอก็ทําทีไปล้างหน้าล้างตาโน้นนี่ตามเรื่องไปหลากมันออกมาเพื่อเพื่อนะเพื่อมันเคลื่อนที่ไปได้เราก็จะได้อาศัยรถคันนี้เพราะว่าทุกคนก็คือเป็นคนเดียวกันนะพระกับโยมก็คนเดียวกันคนเดียวกันนีในโลกนี้ถ้าคนหนึ่งทําเสียหายมันก็เสียหายนะ ทำดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีนะมันกระเทือนกันไปโมดคนทุกคนก็เป็นพุท ธ, ธะคนทุกคนก็เป็นตัญหา <c oughs> หน่วยแต่และหน่วยในโลกนี้มันเกี่ยวพันกันหมดนะถ้าเรามองเกี่ยวพันถ้ามองไม่เกี่ยวพันก็ไม่เกี่ยวพันก็คือสลับให้มันเป็นเน่ะเป็นมีธรรมะวิจยะคือกล้ากล้าทะลุกล้าฟันฝ่ากล้ า, า, ลาสู้ ธรรมวิจ ย, ยะวิริยะปีติสัมโพชังโคปีทรร ม, มวิริยะวิริยะก็คือความกล้าเป็นองค์แห่งการรู้แจ้งชนิดนึงอนอกจากสังเกตแล้วก็กล้าสู้เข้าเกียร์สู้สู้กับกิเลสให้มันทะลุผ่านไม่ได้แล้วก็เกิดปีติแหละทะลุขึ้นไปเป็นยังไงอ่ะมันหลุดจากโคลนจากตมจากหล่มขึ้นไปไเป็นยังไงโ้ย สร้างมาเราสวงท่านนี้ก็โล่งโล่งใจสบายใจเลื่เกินเนี่ยขึ้นมาได้แล้วทีนี้ขึ้นจากโคลนขึ้นมาได้น่ะมันสบายนะเขาเรียกว่าปีติแต่ปีติที่เกิดจากการหลุดออกจากอารมณ์น่ะมันมันมากกว่านั้นมันไม่ได้เป็นเหมืนั้นขนาดนั้นก็ยังถือว่าเจ๋วแล้วนะออกมาได้เนี่ยโอ้ทําไมโลงง่งใจสบายอกสบายใจเลื่เกินขึ้นมาได้ขอบคุณ น, นะขอบคุณขอบคุขอบคุณเป็นแถวๆเลยทีนี้ใครมาช่วยนะ อันนี้ก็เหมือนกันมันปีติพอเราทําได้ไม่รู้จะไปขอบคุณใครอะเราทําได้เองหนะ่ะมีแต่จะไว้อยากไปเล่าให้คนนั้นฟังทําเหมือนฉันนี่ทําเหมือนฉันเนี่ยโข น, น, น, นทาไมง่วงจังนะทําเหมือนฉันนี่เทือบก็ไปผู้คนหนึ่งก็ยังหาเกียร์ไม่เจออยู่โอ้ยทืบยังไงถูกไปเจ็บขาดี่ยมันก็เถียงคือมันเป็นเรื่องของใครของมันนะอะเ น, นี่ยเพียงแต่บอกกันในะคนไหนฟังแล้วเอาไปทํามันก็ได้คนหนึ่งนะเดินอยู่กับเมจิเขาไม่ทำ คนตายเมจิมาบอกโอ้ผมก็นึกได้ทำนั้นโอก็เลยไปถา ม, มเามจีอีกเมจีก็บอกว่าทำงี้อา้าวคนนี้ยอมนะเขายอมฟังยอมฟังคนที่เขาทํามาก่อนน้อมจิตมาน้อมอเลยลึกๆพอทํามันก็ทําได้อ่แต่บางคนเรื่องของกูเมจิจะขนาดไหนกูระดับกูนี่กูกผ่านมาหลายสำนักแล้วกูไม่ฟังใครกูทำเองเอาไปมามืดตื้อยอยู่นั่นแหละเอาไม่ออกเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะขนาดหลับนะนั่งหลับปึ๊บลงมา จำเรื่องตามือลืมไปดูคนนั้นมันไม่เห็นกูเอาอีกวละล้วเจ้าอยู่แบบนั้นนจิตนี่มันไม่ออกหรอกือต้องฉลาดหน่อยถ้าจิตมันน้อมลงหน่อยเนี่ยเป็นโอปัยญิโกเก็บมาหมดเลยน้อมเข้ามาใส่ตัวสิ่งแวดล้อมข้างๆเนี่ยได้เลยพัฒนาไปได้โดยไม่ยากนะเห็นคนนั่นเห็นคนนี่ในจารย์เนีน้มันช่วยได้เยอะนะ สังเกตดูนะเวลาเราปฏิบัติธรรมก็จะเกิดปีติแะถ้าเราขึ้นจากลมจากโคลนจากน้องจากอะไรได้นะก็เกิดปีติทางโลกก็เป็นอย่างนั้นนะสมัยการศึกษาก็ปีติอันนี้ก็เหมือนกันออกจากนิวรธราทได้ก็เกิดปีติเนี่ยพอเราเลื่อนปุ่มตรงนั้นมาตรงนี้ได้เอาคำปุ่มใหม่ต่อไปมันก็จะมีพลังอันหนึ่งเนี่ยมันต่อให้อันหนึ่งอันหนึ่งต่อให้อันหนึ่ ง, งมันเชื่อมเชื่อมเชื่อมมันเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองขั้น3มมาแต่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะยิ่งใกล้เท่าไหร่ก็ มันเหมือนง่ายๆเนะี่ยแต่มันต้องละเอียดหน่อยต้องพยุงตัวเองหน่อยเหมือนขึ้นที่สูงนี่แหละขั้นแรกก็เหมือนไม่ยากแต่มันอยู่ใกล้ลดลงมาก็ไม่ยากอะไรแต่ขึ้นสูงนี้ต้องระวังนะแรงโน้มถ่วงมันสูงอ่แต่มันก็ขึ้นง่ายๆก้าวขาแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ว่ามันโน้มถ่วงมันยากที่จะตกลงมามีปิติแล้วก็มีปัสจธินะปัจจิตสำโตกังโกชาเนะี่ย องค์แการรู้แจ้งคือความสงบใจด้วยมีปิติปิติมันยังไม่สงบนะสงบแต่สงบไม่แท้ต้องพัฒนาไปสู่ความภาวะที่ต้องมีความสงบแท้ๆลงมาหน่อยเป็นปัจสัตติปัจสัตธินะ <c oughs> องค์แการรู้แจ้งคือปัจสัทติเราต้องมีอ่ะตัวเนี้ยต้องคลำไปอีกให้จูดเจอปุ่มนี้เราจะเข้าไปปุ่มนะั้นเขาจะไปหาเข้าไปหาข้อมูลข้างในนะ่ะ เรียว่าอริยทรัพย์หรือว่าดินแดนแห่งนิพพานเนี่ยมันต้องเข้าไปเพราะมันมีนกลไกไม่ใช่มันจะเข้าไปไง่ายเพราะมันหลงเน่ยคนเขาสร้างเขาล็อกเอาไว้เขาใส่อันนั้นใส่อันนี้ไว้แล้วก็เข้าไปลําบากมันก็หาปุ่มมันได้เจอตามไปอีกคือสลัดความคิดนี่แหละสลัดความดี อ, อกดีใจสลัดความเพลินความพอใจอะไรเนี่ย สลัดออกไปสลัดออกไปมันจะเริ่มปกติขึ้นมาคือปุ่มทั้งหลายทั้งปวงในพกกว่าตัวนี้ออกปุ๊บปุ่มนั้นก็จะเห็นอยู่ข้างล่างนั่นแหละแกออกอันหนึ่งก็จะเห็นอันหนึ่งแกออกอันนึงก็จะเห็นอันหนึงคือมันอยู่ข้างล่างมันเรียงลําดับกันไปเหมือนถ้าเราเห็นอนิจจังเนี่ยถ้าเห็นทุกถ้าเห็นทุกก็จะเห็นความไม่เที่ยงตันดีเห็นอนิจจังตันดีถ้าเห็นอนิจจังชัดเจนเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอีกสัหน่อย ความเป็นอนิจจังสว่างแจ้งขึ้นมาก็อนัตตก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละมันอยู่ติดๆกันนะแต่คนหลงตาไม่รู้นะเขาพูดถึงเรื่องหน้าไม้มีโยมคนหนึ่งเก่งมากชาวบ้านนะเขาบอกมีหน้าไม้หน้าไม้ใครเท่าเท่าพ่อเอ็มเขาเรียกเท่าพ่อเอ็ม จะมีหน้าไหมหน้่ไม้แกจะเก่งโบราณก็เาเล่ให้ฟังนะั้นเราก็ไปนั่งฟังเราก็อยากได้คือไปแล้วยิงเข้าไปเลยในกอไผ่เนี่ยในกอไผ่มันมีอะไรยิงเข้าไปมันจะวิ่งหาเองเอา้าทำไมเก่งจังหน้าไม้อันนี้นะ่ะวิ่งเรื่อยๆไปตามกอไผ่ไปเสียบหนูจึดทันทีอ่ะเอา้าถูกหนูนะแล้วก็หลุดออกมาจากกอไผ่ตกลงไปในดินนะไปดึงขึ้นมาถูกกบอีกเอา้ากบมันอยู่ในรูนะ <g ül> ดึงกบมาทูกเต่า อ, อยู่ข้างล่างอีกเอา้ามันทําไมมันลึกอย่างคือมันจะดึงอันนึ่งกันมาไปถูกอันหนึง่งดึงอนึ่งไปถูกอันึ่งเลียงลำดับไปถึงสิบสองอันเขาเล่าให้ฟังตาเขาฟังโอง้อยากได้วะหน้าไม่ไม่วิเศษจังไม่รู้เขาบอกเขาบอกเรื่องธรรมะให้เขาสอนเรื่องธรรมะถ้าดึงอันหนึ่งออกนนอนนออก็จะเห็นอันหนึ่งดึงอันนึ่งออกเห็นอันหนึ่งอลยกิเลสในใจเราเนี่ยพอสุดท้ายเนีไปเจอมรดกอันล้าค่าเห็น นะข้างล่างเป็นสมบัติของพระราชาที่ปกครองแล้วมีตะเพ็ดทางนั้นนะดึงขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยก็คือพอดึงออกมาปุ๊บมันก็เห็นนิพพานคือความปกติมีสติมีสัมปะเนยะมีคุณธรรมของพระอริยเจ้าเต็มไปหมดอยู่ในภาวะอันนั้นนะแต่เราไม่เข้าใจนันก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมีปัสสถิมีสมาธิอะทีเนี้ยพอดึงปัสถาออกปสิความสงบ พอสงบมันมากขึ้นแล้วรักษาเลยลึรยกรู้ประคองตัวดุอีกในขณะนี้ก็ตัดออกอารมณ์ความปรุงความแต่งความคิดความอะไรต่างเอื่อมขึ้นมาแต่ละครั้งนี้ยังมีอะไรและเขาเรียกเปรี้ยวเห็ดเรยส้มเห็ดเลยหรือเรียกว่าแหนมเห็ดหรืออะไรอย่างงี้ยอยู่ในกินในปากนะกินได้แต่ตอนเที่ยงในกินมันจะอยู่นานนี่น้าพระเจ้าปีดอกน้องบอกว่าปุ๊บพระพเจ้า ว, ว่า ห้ามพ่สุจฉันกระเทียมนะห้ามฉันกระเทียมถ้าฉันกระเทียมแล้วมันกลิ่นแมลงเห็นมันโชยเป็นไปนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะกินเห็ดตั้งแต่ตอนเที่ยงป่านนี้ก็ยังเวลาเยื่อหมกมานี่มันจะมีกินทีนี้ในวินัยนะถ้ามาพอใจกับกิ่นที่กินเน่นแหนมเห็ดนี่ก็เป็นอบัดอีน่ะอันนี้นะเขาห้ามมันเป็นภาวะที่มันคือ คือไม่ให้พอใจละให้ปกติเฉยๆนะจิตเนี่ยนั้นขับรถมาถึงตอนไหนแล้วปีติปัจ ส, สมาธิพอสมาธิคือจิตมาเริ่มตั้งมันม่นแหละมาเริ่มเป็นปกติเขาเรียกว่ามหาสติสติใหญ่มันเกิดเต็มที่แล้วทีนี้มันปล่อยวางไอ้นู้นอันนี้ได้เต็มที่มันก็เป็นอุเบกขานะี่ยเป็นธรรมชาติของมันอุเบกขาสัมปูดจังกัญจะองค์แห่งการรู้แจ้งคือ การวางใจเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงคือจิตมันจะวางเขาหมายถึงมันเป็นธรรมชาติที่มันอยู่ของมันมันมีที่อยู่ของใจเนี่ยคือมันไม่ยอมไปปรุงแต่งตามนะนะกระทบภาษามันก็ไม่ปรุงแต่งตามแต่ถ้ามันยังดับไม่ได้มันก็จะปรุงแต่งน้อยๆมนกระดับปรุงแต่งน้อยๆกระดับหรือไม่ปรุงแต่งเนี่ยจะมันเผลอมันจะมีอารมณ์หน่อยแล้วกระดับไปมีอารมณ์หน่อยก็ดับไปคือมันไม่คืนเนี่ยจิตเนี่ย นั่นเราก็หาหาดูว่าเออคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเราหลงทางนะแล้วปุ่มพวกนี้มันเขาสร้างกลไกเอาไว้กว่าจะเข้าไปได้มัน ก, ก็ลําบากหน่อยแต่ถ้าไม่มีพวกนี้เป็นเครื่องมือกั้นเอาไว้หรือไม่มีกลไกเนี่ยเราก็จะไม่มีความเก่งถ้ามันได้มาง่ายๆสติเราไม่หลากไม่เข็ดไม่จําแล้วมันไม่เกิดปัญญาเหนื่อยหน่ายในสังขารในความปรุงแต่ง ทุกเนี่ยแล้วก็ออกไม่ได้คือออกมาแต่มันก็เข้าไปอีกเอามาก็เข้าไปอีกเพราะมันไม่กลัวมันไม่เห็นความยากลําบากแต่มันเห็นความเหนื่อยหน่ในสังขารความพรุงแต่งอะไรในมันสลัดออแล้วมันไมเข้าไปในหนังจีนนะเขาจึงสร้างเรื่อง18อลรหันทองคขำมไว้เป็นด่านอเหมือนกันกับอันนี้เหมือนปุ่มคอมพิวเตอร์นี่เหมือนกันกับนิวอัลธรรมเหมือนกับพ่อชงเนี่ย กว่าจะเข้าไปแต่ละดานแต่ะดานเนี่ยอ้าวอัลลาห์อหานุงค์ที่หนึ่งระดับจเจ้าอาวาสระดับอะไรนี้เขาเรียกว่าอะไรเนะภาษาจีนเขาเรียกอะไรหุดโจเนี่ยอะไรโจร้หุต อ, อิจมอไม่ใช่จีนเหรออัตมาแต่รู้ใจแต่บักโจ้เนะ่ะของโจที่มีปลอยผมอยู่ด้านหลังนะของอิตาลีรู้ใั่ไหมเออไม่รู้ เราก็จะสร้างองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามเวลาเราไปดูหนังเนี่ยมันจะเห็นหรอกเพื่อจะฝ่าเข้าไปได้สิบแปดอาหารหันดองคําเนี่ยเพื่อเข้าไปเจอ น, นู่นนั่นแหละเขาทําเป็ น, นกลไกเอาไว้นะเพื่อจะเข้าไปได้เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันหลายเพียงแต่ว่าเราดูไม่เป็นก็เลยไม่เห็นทำเข้าไปไม่ลึกพอเอาพูดเล่นๆเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนบรรยากาศนะพูดให้คิดที่เฉยในะวันเนี้ เรื่องอารมณ์กรรมฐานนี่หลวงพ่อเทียนท่านพูดใน้ฟังเมื่อกี้แล้วเราพอเข้าใจนะอรู้อันนั้นรู้อันนี้ของท่านนะท่านปฏิบัติกี่วันนะเฮ้รับกรรมฐานวันกี่ค่ําเอาพวกนี้มันต้องตัดหูไปทิงให้หมดด้วยนี่มน ไ, ไม่ต้องไปทําำไมฟังหมอลําผู้ใหญ่บ้านเขาเหรอพ่อหลวงเขาเปิดเตียงมาพวกเธอไปถนนหมดเลยไม่ฟังอันนี้นะห ล, ลวงพ่อรับกรรมฐานมือแปดคา ว่าทําได้ปฏิบัติเถอะพอมาตกมือเมือ่อเก้าคําหลวงพอ่อลงมือปฏิบัติยงจริงจังเก้าคำปฏิบัติหลวงพ่อรู้มือเก้าคํำมือสิบคาตื่นมาตอนเช้าหนะลวงพ่อก็รู้แจ้งดับทุกได้เพื่อดับมือสิบคากี่วันสองวันรับวันหนึ่งอะ่ะสองวันท่านว่าหลวงพ่อปฏิบัติสองมือ สุ้เจ้ามาปฏิบัติเจ็มือ้อโอ้มันผมซื้อลงสู้หลวงพ่อไปได้มันก็ บ, บ้า ท, ทัวทำไมมันก็ บ, บ้าที่ท่านว่ามันก็ บ, บ้าดิหลวงพ่อปฏิบัติมาสองวันพวกเธอมาปฏิบัติเจวันไม่รู้เท่าหลวงพ่อมันก บ, บาทท้ากันนั่นแหละพวกเราเนี่ยแน่นว่าด่ากูตอนี้วะหลวงพ่อเทียนด่าเรานะไม่ใช่หลวงตาด่าพวกเธอนะเนี่ยก บ, บา้าดิท่านว่าหลว ง, งพ่พอหลวงพูดพอพระเจ้าปฏิบัติหนึ่งวัน หลวงพ่อเทียปฏิบัติสองวันนะพุทธิย่อปฏิบัติวันวิสาข์ก็รู้แจ้งที่ทำมาทั้งหมดนันคือหลงทางพุทธิย่าปฏิบัติผิดหกปีเนี่ยทําไม่ถูกพอปฏิบัติถูกทําวันเดียวแล้วก็ถูกก็แจ้งนั่นี้แล้วท่านก็เลยบอกว่าพวเธอต่อให้เจ็ดวันเนียแต่เจ็ดวันมันก็ไม่รู้เอ้าถ้าสงว่าสิบห้าวันล่ะอทําทุกวันล่ะตื่นมาก็ทําทุกวันทุกวันวันมันก็ต้องได้อยู่ดีแหละเพราะอันนี้มันคือธรรมชาติอันนี้ มันไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องบุญเป็นเรื่องธรรมดาฟังหลวงพ่อเทียนท่านพูดแล้ว่ามันมีกําลังใจเพราะมันใกล้ๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับภาษาต่องนั้นอย่างนี้ให้วุ่นวายธรรมะเนี่ยมันเดือดแต่ว่าเออทําให้รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวดีๆแล้วก็มาดูจิตนอย่างท่านบอกนะมาดูจิตดูใจดูความคิดดูอารมณ์ดูดูดูดูดูบ่อยเข้าบ่อยเข้าสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นเหมือนแมวดแมว ความคิดนเนหมือนหนูหนูมันกระโดดมาแมวมันก็จับตะคุบปุ๊บแต่ดีหนูก็ชอกตายเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยเราก็พอจะเข้าใจนะสติเราเนี่ยต้องทําให้มันเป็นเหมือนหนูต้องเออจะเหมือนแมวให้มันเข้มแข็งขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นพูดอันหนึ่งนิทานอันหนึ่งนะเติมให้นิ่หน่อยนะก่อนมานี้ลงตาเปิดหนังสือนิอหน่อยนะของประธานห อ, อการค้า เจวันผู้เกตเนะ่เขาเขียนเรื่องไซอิวฉบับเดินทางสู่พุท ธ, ธาภาวะประทานหัวกันค้าไม่รู้แกได้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะแต่แกเขาเข้าใจภาษาจีนดีเจอก็แปลว่าอา้าอันนี้หมายความว่าอันนี้อันนี้เป็นแต่ถ้าจะอ่านดีไปอ่านของเขนมานาันทะนะเรื่องอันเนี้ยจะเขียนดีมากแลวแกเข้าใจภาษาอธิบายได้ดี ขอตาอ่านครั้งแรกเมื่อปี2531ก็นานแ ล, ล, ล้วล่ะรู้ทิ้งไหนอ่านตั้งแต่สมัยยังไม่ไม่ได้เข้าใจเรื่องมิปัสสนานี่ต่ชอบอ่านเห็นคนไหนเขียนแปลกๆไห น, น, น, นชอบอ่านอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ <c oughs> เหมือนเขาบอกปฏิจจสมบัติของพุทธทาสเนี่ยเขอยากรู้ธรรมะอ่านปฏิจจสมบัติเขา อ, อ่านแต่เขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันพอเขาพูดว่ากูก็เคยอ่านวะแหน่ <c oughs> กูก็เคยรู้เรื่องไร้ เป็นหนึ่งงั้นนะเขาเ่าเอา้าใครอยารู้ธรรมะไปเรียนอภิธรรมลงตากับไปเรียนจุลละอภิธรรมตรีเรียนเอา้าจบรู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเอา้าเขาว่าปฏิบัติธรรมไปเรียนดิหนังสือที่ได้ก็อ่านหนังสือวิปัสสนาสารเนาะของอาจารย์มาแนบมหานีลานน์นะอุบาสิกาเขาจะเรียนวิปัสสนาภูมิเจ็ดวันก่อน อีกที่เหลือเจ็ดวันค่อยมีการปฏิบัติทำทีแรกในเรียนลูกเดียวนะเรียนเรียนเรียนเหมือนในห้องเรียนเรียนในลูกก็เรียนเน่ยมันก็จําได้ก็เหมือนเข้าใจแต่พอไปเดินจุกลมเลยคิดแต่เรื่องเรียนนั่นน่ะเลยไม่ได้เลยไม่ได้สภาว่าทาได้แต่จำในไอ้ที่เขาสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้นี่นะคือมันมันออกแต่ภาพที่เรียนนั่นเลยไม่เข้าใจแต่พอไปอ่านหนังสืออุบาสิกา กอเขาสวนหลวงเนี่ยจะดีี่ยฟังเทพท่านเป็นผู้หญิงนะนุ่งเสื้อสายเดี่ยวมะเกล e n งเนี่ยเงนพระนี่แหละเป็นคนแก่ที่ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเนของราชบุรีเนี่ยทีนี้เขามีมูลนที่มีอะไรรักษาคำสอนเขาดีมาก mm. อันนั้นอ่านแล้วรู้สึกประทับใจฟังเทศแกก็ด่าดีแกด่าคนดีอ่ะคือด่าคือหมายว่าด่ากิเลสนะนะ พูดตีอาใจโอ้หน้าปฏิบัติทรรมพอปฏิบัติเอากลับดีเนะี่ยอารมณ์ดีสมาธิก็เริ่มดีเพราะมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอ่านวิชาการและจิตติดแต่ด่านี่นึกคดาด่าเข้ามาถา้ดาด่าตัวเองเนี่ยเออก็สามารถทำได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยแต่ก่อนน้องตาจำได้เข้าว่าในหนังสืออันนี้เขาจะแปลชื่อของ ถังซมจังเนี่ยแปลว่าอะไรจริงๆเขาพูดถึงเรื่องจิตอันเดียวนะอันนี้ถังซมจังนี่โดยเขายกเขาโครงมาจากตรงจีนไาเหียนพศแปด้อยที่ไปนารันธาไปไซทีนี่หมายถึงอะไรเราจะรู้จักชื่อภาษาจีนเละนะไปอรัฒนาพระไตปิดกหน้าเขาไซทีเอามาปฏิเสธฐานที่เขาอะไรอ่ะ ที่ประเทศจีนนะเราจะมีตัวละครเรื่องนั้นเรื่องนี้พ่วงเข้ามาเออเขาก็เขียนดีแต่คนเขียนนี่ถือว่ายอดมากนะเขาไปต่อสู้กับมันนั่นต่อสู้กับม น, นี่เนาดูก็สนุกดีโดยเฉพาะตอนปีศาจเม่งมุมเอาดูดีจังแตเ่เขาไม่ได้เรื่องอะไรอีกเลยที่นี้เขาพูดถึงเรื่องมีคนอยู่ห้ามี ม, มีมีคนอยู่ห้าคนเนี่ย มีหชีวิตที่เดินไปอารัธนาปเทปิฎกคือจะไปหาธรรมะเนี่จิตดวนี้มันต้องมีอยู่ห้าประเภทนี่ยหนึ่งหนึ่งก็มีพระถังซัมฉังพระถังซัมฉังนี่ก็คือเขาพูดถึงอินสียห้านะพระถังซัมฉังคือหมายถึงตัวสติใครเก่งที่สุดในเรื่องนี่เอามีพระถังซ้ําจังมีสัวเจ๋งมีตือป่อยไก่มีหงอคงหงอคงนี่ชื่อมันว่าไงนะ หิ่งเคียระเฮงเคียแล้วก็มีม้าทั้งหมดนี่มีพระถังซําจั๋งนะควบคุมได้ทั้งหมดนี่ฟังดูนั้นมันสอดคล้องยังไงเอ่าคนที่จะเข้าถึงธรรมต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีห้าอันนะคนปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็มีมีคุณอธรรมนี่อยู่ในใจอ่ะ ที่จะแสวงหาธรรมที่จะเดินไปหาธรรมะเนี่ยหาที่ไหนหาในใจเรานั่นแหละผู้เขาก็อยู่ในใจเรานั่นแหละมันต้องต่อสู้กับอารมณ์หลากหลายจนเขาเขียนออกมาเป็นหนังไซอยูวนั่นแหละภาคนั้นภาคนี้มันมีหลายภาคนะตัวศรัทธานี่หมายถึงเอาในนั่นใครโง่ที่สุดนะในเรื่องนะใครโง่ที่สุดเออตูป้ปวยไก่ตูป้ปวยไก่ อหูเหมือนหมูเลยเนะี่ยตัวนี้หูก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่นะก็มีอาวุธคือมันคืออะไรสนใจอะไรเป็นอาวุธเอาหนังเขาก็เพิ่งจบไปเนะี่ยช่องสามหรือช่อง 7. เจ็ดพวกเธอนี่เนาะไปดูหนังดูเนื้ออะไรเลยแหละนี่ดูแต่ธรรมะเนาะคาปฏิบัติธรรมลูกเดียวนะอื <c oughs> <c oughs> ไม่เสลิงหาทำรอบตัวเอาเสลย ม, มีแต่ปฏิบัติมีแต่ปฏิบัติมีหน้ามันถึงสงบเลยตือป้วยไก่เขามีคลาดคลาดคลาดค ล, ล, ลาดรู้จักคลาดไหมคลาดนะมันหมายถึงอะไรเดี๋ยวตาจะพูดในฝั่งว่าอันนั้นหมายถึงอันนั้นหมายถึงอันนี้นะแต่เอาย่อๆนะไม่ไม่พูดมากตือป้วยไก่เหมือนศรัทธานะ ศรัทธาแล้วก็มีอะไรนะวิริยะวิริยะคื อ, คอขยันตัววิริยะนี่คือตัวลองลองมาโง่โงหน่อยเออสัวเจ๋งนะสัวเจ๋งในวิริยะอันนี้เป็นคนนะหน้าหนวดเกลาดีขยันกันแข็งก็มีปัญญาระดับหนึ่งไอ้คนขยันเนี่ยตัวขยันเนี่ยแต่ตัวโง่โคือถูกเขาจับไปเรื่อยเนะ่ะคือเหมือนคนนะถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยเสดตลอดเลยนั้น ถ้าศรัทธามากมันจะเป็นความงมงายเห็นไหมถูกเขาจับอยู่เรื่อยไอ้ตือโป่ยไก่เนี่ยเดี๋ยวจับไปแล้วเดี๋ยวจับไปแล้วนะไอ้ตัวที่ไปตามคือใครเออต้องเฮงเจียนละหฮงเจียไปตามห่งเจียนี่คือตัวปัญญาห่งเจียเป็นะปัญญานะปัญญามันฉเลฉลียวฉลาดคิดแป๊บได้แป๊บนั้นแบบนี้ได้เนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวสติีปัญหามนะันอะนะสติคือใคร พระสังพระพระถังนะพระสังสัมจังมือินพระถังพระถังพระสังไม่อยู่ที่วัดสมานาทพระสังเนี่ไม่ได้มางวันี้ไม่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสพระถังสัมจังพระถังสัมจังคือสตินะฮะสติมันจะอยู่ตรงกลางมันจะควบคุมหมดเลย คือได้พรจากเจ้าแม่กวนอิมไว้แล้วจะมีหมวกวิเศษถ้ามันพูดเนี่ยสวมกุก๊บก็ไปตรงเฮ้งเกียนะนะเสร็จเลยไปไม่ได้คือความคิดเนี่ยถ้ามันคิดมากก็รู้สึกตัวไว้เนี่เสร็จหมดเลยเนะี่ยมันไม่ไปหรอกไอศัตธาก็เหมือนกันถ้่มันไม่มีสติควบคุมมันก็แน่วิริยะก็เหมือนกันนั้นปัจจังสัมจักนี่ไม่ได้อะไรเลยทําอะไรไม่ได้สักอันนะไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชได้ได้แต่ว่ามีแต่ฤทธิ์เดชควบคุมพวกนี้ สภาวะรู้ตัวอย่างเดียวนะ่ะถ้ารู้สึกตัวนี่มันจะควบคุมได้หมดได้แต่รู้แต่รู้แต่ ร, ตรู้รู้อย่างเดียวเอา้ามันขาดไปตัวหนึ่งนะอะไรเร อ, เอสมาธินะตัวสมาธิสมา ธ, สมาธิคือ น, นิ่งเฉยเป็นคนรับภาระอะไรเกิดขึ้นก็รับได้อะไรก็รับได้นั้นเขาจะใช้บรรทุกของเห็นไหมใส่ในหลังมันนะ่ะเต็มไปหมดเลยเอาวางใส่ใส่ที่ไหน ที่หลังม้านั่นแหละตัวม้าคือตัวสมาธิเป็นตัวพาไปนั้นห้าชีวิตนี่ก็คือคุณทำรรห้าประการที่ต้องต้อเนินท่าดําเนินไปสู่เป้าหมายคือเปอียราษนาพระใจปิดอกก็คือเดินทางไปสู่นิพพานการรู้แจ้งเนี่ยของเราตัวไหนมันไร้กาศดูดิมาตัวนี้ศรัทธาก็ไม่ได้ วิญญาณก็ต้องพอดีนะเนี่ยวิญญาะเดินจนเป็นหลุมนั่นแหละบางที <c oughs> บักซัวเจ๋งนี่ออกอาการบางทีเดินแหลกเลยก็พอได้นะสมาธิมา้าก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ปัญญาแวบเป็นนอนไปนี่งั้นพระถังซัมจั๋งนี่อย่าไปมัวหลับอยู่เด้ต้องควบคุมมันทั้งหมดให้ได้เนดะ้ต้องระลึกรูก้ต่อเนื่องเอาไว้ แต่ น, นี้ก็เข้าสู่ดินแดนแหละที่นี่สักซ้อมก็เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ดินแดนดินแดนไปอารัธนาพระไตปิฎกเขาไซที่ ค, คือคือหมายถึงภูเขาหิมาลัยนะไปก่อนเนาะก็คือไปไปเอาธรรมะที่อยู่ในใจเราที่สูงอันนี้ก็ออกมาแล้ะแต่ละคนแต่ละคนก็เป็นไซอิ๋วล่ะเข้ามาบ้านประตูนิมหานะนี่เตียมตัวออกศึกแต่ละคนเนี่ยทุกคนทุกคนทุกคน คือทุกคนนี้มีอยู่ข้างในอยู่แล้วลูาตาก็อยู่ข้างนอกเป็นตัวช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นช่วยทำความเข้าใจในเบื้องต้นจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับสิ่งแวดล้อมอ่านเสียงกระทบปังตาหูกระทบปังแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้ที่อยู่ข้างในอย่าให้มันกระเทือนคุณธรรมทั้งหมดนี้มาพูดคุยเท่านี้นะวันนี้เห็นไรคนเอาจิงเอาจังกลัวจะ บ, บรรลุนิพพานก่อน แล้โลงตายจะไม่มีเพื่อนเพราะเธอหนีกลับไปหมดบรรลุแล้วลาละเด้อมันจะเครียดเกินไปนะถ้ามันไม่ป็นลุก็กลัวมันทะลุทะลวงไปทั่วจะแล้วาวัาานนี้ก็เลยจะให้เวลาที่เหลือพอมีอยู่เนี่ยให้กูบาพูดอะไรให้ฟังสะหน่อย<ม>เปลี่ยนบรรยากาศใหม่